ในเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกัน เ, นเอา้าให้พวกท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนจิตญาณุสิทธิ์ของเราสิตญาณุสิทธิ์ของหลวงตาให้ทำงานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เ่ยถ้าว่าท่านไม่พร้อมท่านที่ระบุชื่อไปก็เถอะท่านต้องออกนะลาออกเลยไม่ต้องเกงใจเพราะท่านไม่พร้อมการเงินทางครอบครัวผมค่อนแคงครับผมทำไม่ได้หรือว่า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 เห็นว่าใครออที่แรกกะทำเตะ ต, ตั้งอกตั้งใจแต่พอเตะไปเตะมานะเนี่ไม่เข้าตากรรมการเราก็ควรจะยื่นใบเหลืองให้เออตืนอนคุณทำงานยังไม่สมศักดิ์ศรีนะออพอยื่นใบเหลืองแล้วยังไม่ปรับตัวขึ้นอีกยื่นใบแดงให้ออกเอาคนอื่นเข้าไปแทนหลวงพ่อห ล, ลวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ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 การเวียนไห้าตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามแนวแถวที่ท่านหลวงตาได้พาดำเนินมาสิ่งเหล่านั้นทั้งคดีโลกและคดีธรรมหลวงตาแนะนำสั่งสอนพวกลูกหลานอย่ากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณ เ, เป็นปูชนิยบุคคลแล้วก็เป็นผู้ นำในยุคปัจจุบันเพราะท่านได้เป็นมหาทางปริยัติท่านก็รู้ทางปฏิบัติท่านก็รู้ท่านรู้ท้ทงปริยัติทางปฏิบั ต, ติจากนั้นท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนอยังทำคำสอนขององค์ลงตาเนะี่ยพวกเราอ่านสินะเออเป็นพออ่านเข้าไปที่ศึกษาเข้าไปแล้วคำทำคำสอนของลุงตาเนะี่ยทันสมัยนะเออทันสมัย <c oughs>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 ทำอสันตานะที่ประเทศอินเดียถ้าพวกเราไปเห็นนะพวกเราจะซึง้งโอ้โหคนสมัยนะั้นเขาทํำไมถึงทําได้ขนาดนี้วะฮะเขาทำด้วยฝีมือจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนะั้นเราก็ไม่เห็นพรเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นเขาก็คงจะใช้ค้อนกระเล็กนะมั้งต่อยไปเรื่อยๆแต่ทําไมจึงดูดูแล้วทําไมมันเกลี้ยงเกาทำได้ดีจริงๆทําไมว่าศรัทธาแล้วจะว่าอย่างไง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 เนีนะ่อันนี้นะสรุปแล้วก็คือศรัทธาเนะนี่ยการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาหลงพ่อนะถ้าว่าพวกเรามีศรัทธาอย่างนั้นนะอ่ะเออเอาหัวใจเมาวางสร้างโดยศรัทธานะทุกอย่างจะเรียบร้อยนะจะไม่มีปัญหาตามมาถ้าว่าคนไม่มีศรัทธาเนะี่ยปัญหาเยอะนะอัอบพร <c oughs> ประสงค์อนุโ ม, โมทนาให้พร